เฉลถ่ายรูปเป็นประเทศด้อย่านเวลาหมดว่าอย่าติดติดรวมกันเหตนเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทํามาทํามานี่แหละจะช่วยให้เราพอเจะบปับทุกได้ในโลกนี้ชีวิตมันเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ไหนที่แหนก็ทุกข์กันแน พรเ้าสอนเรารู้จักความทุกข์ความทุกขเปนความจริงของชีวิตถ้าเรารู้จักความจริงของชีวิตแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ทุกข์น้อยน้อยหรือถ้าฝึกตันใจให้ดีจนมันเกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมามันจะไม่ทุกข์เลยศา ส, สนาพุทธจะสอนขอบเขตของศาสนาพุทธจะสอนเรื่องความทุกขนะ์ กับการปฏิบัติก็ความทุกข์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมานะเราก็แสวงหาความสุขมาเรื่อยๆเราปรารถนาความสุขกับทุกคนในความสุขมั น, มนเหมือนภาพลงตาเหมือนเหมือนจะได้มาแต่ก็หายไปไเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาไล่เท่าไรเท่าไรก็ ไ, ไม่เจอจับไม่ได้สันทีเหมือนอยู่ข้างหน้าอีกนิดเดียวก็ถึงแนละ้ว หล่อให้เราวิ่หล่อให้เราตามหาแต่ละคนก็นที่เราตามหาความสุขนะความสุขอยู่ไหนไม่รู้เราตามหาความสุขมนะาตั้งแต่เด็กเอตอนเด็กเราก็คิดว่าถ้าเร า, เ ร, าเรียนนัูจบนะเราทามาหากินได้เองชีวิตเราจะมีอิสระไม่ต้องอยู่ใต้พ่อใต้แม่ใต้ผู้ใหญ่มาสั่งเราพอเรียนจบเข้าจริงๆนะมันก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดไั้ เราวิ่งหางานทําอีกนะได้งานทํากะว่าตําแหน่งใหญ่ๆแล้วจะมีความสุขนะมันก็ไม่ค่อยสุขจริงอรอกมีเงินเดือนเยอะๆเรากะว่าจะมีความสุขนะมันก็ไม่สุขจริงมันชีวิตเงียบเหงาชีวิตว่าวเวนะลจะต้องหาแฟนหาคู่ครองมีแฟนแล้วนะมันจะมีความสุขหนระือจริงๆเราได้อะไรมานะเราก็จะเสียอะไรบางอย่างไปตลอดเวลา อย่างเราเป็นใหญ่เป็นตัวใช่ไหมเราเสียความเป็นส่วนตัวไปหรือเรามีชีวิตครอบครัวขึ้นมาเราก็เสียความเป็นส่วนตัวไปได้อย่างก็เสียอย่างมีชีวิตเราก็เที่ยวหาความสุขเรื่อยๆไปนันโดยบางทีก็หวังต่อไปอีกมีมีสามีมีภรรยาแล้วก็ยังไม่มีความสุขเท่าไรรู้สึกชีวิตยังไม่สมบูรณ์ต้องมีลูกอีก มีลูกแล้วก็ต้องหวังอีกนะวะลูกต้องเก่งๆลูกต้องฉลาดลูกต้องดีเกิดลูกมันไม่ดีลูกมันไม่เก่งลูกมันไม่ฉลาดนก็ทุกข์อีกแล้วเราแสวงหาไปเรื่อยๆนะจนเราแก่พอเราแก่แล้วเราก็เริ่มหวังเองว่าวันไหนมันไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็คงจะมีความสุขเนี่ยความสุขเหมือนภาพดวงตานะฮามันตั้งแต่เด็กนะจนแก่แล้วแก่แล้วมันก็ทุกข์อีกนะร่างกาย เย่อตัวผิดท่านิดเดียวก็ยอกแล้วไม่มีใครเค็าทำอะไรเ้าจะตายเองอยู่แล้วลำบากใครเคยไปตามโรงพยาบาลเคยเห็นคนเจ็บหนักๆไหมคนเจ็บหนักๆ น, นะทุรนทุรายบางคนอยากตายให้พน้นทุกคพนร้อนเห็นไหมสแสดงหาความสุขมาช่วยชีวิตนะสุดท้ายอยากตายให้มันพน้นทุกคพ น, พนร้อนแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนอ่ะ หวังว่าตายแล้วคงจะมีความสุขนะเพราะว่าตารเจ็บหนักๆไม่มีความสุขความสุขมันเป็นภาพลงตาอยู่ตลอดเวลาหลอกให้เราวิ่งหลอกให้เราสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาทำไมใจเราไม่เต็มอิ่มใจเราไม่รู้จักพอใจที่มันไม่อิ่มใจมันไม่พอแล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยเหนื่อยนะถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นเลยจิตนี้มันทางานทั้งวันจิตมันทางานอยู่ทั้งคืนไม่เคยหยุดเลย จิตมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้อยากเราก็ดินด้นดิ้นรนไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงก็ต้องดิ้นอีกดิ้นแล้วดิ้นอีกไปดนะ้วยนี่ถ้าเราหัดภาวนานะเราก็รู้เราก็ได้เจ้าสอนนะความจริงชีวิตจะไเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขหรอกนั้นอย่าไปเที่ยวแสวงหาความสุขเลยไม่เจอ ในความเป็นจริงแล้วมันทุกข์แต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมองโลกแง่รายถ้าพระพุทธเจ้าท่านจบคําสอนของท่านแค่ว่าโลกนี้เป็นทุกข์นะี่ศาสนาพุทธก็เป็นศาสนามองโลกแง่รายท่านไม่ได้ปิดกันเราถึงขนาดนั้นท่านชี้ทางออกให้เราด้วยโลกนี้เป็นทุกข์ทายังไงเราจะอยู่กับโลกแบบไม่ทุกข์นี่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งนี้นะสิ่งนี้วิเศษที่สุดเลยเพราะว่าในโลกนี้มันเป็นทุกข์ ถ้วท่านไม่ได้จบอยู่แค่ว่าโลกเป็นทุกข์เราก็ยอมจำนวนไม่มีทางออกแค่นั้นไม่เก่งจริงหรอกมือมือระดับพระพุทธเจ้านะท่านบอกวิธีที่จะจอยู่กับโลกแบบไม่ทุกข์ได้ด้วยถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดนะเราจะอยู่กับโลกแบบไม่มีความทุกข์เลยพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะจิตใจมีแต่ความโปร่งโล่งเบาจิตใจเป็นอิสระ มีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองความสุขนี้ไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขของเราที่เรารู้จักทุกวันนี้มันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาลองนึกดูีิใช่ไหมอย่ตอนเด็กๆ ก, ก็อิงอาศัยพ่อแม่พ่อแม่รักเป็นลูกที่พ่อแม่รักก็มีความสุขมากหน่อยต่อมาเป็นวัยรุ่นก็อิงอาศัยเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะเขกลุ่มใจเพื่อจะให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มนะทำอะไรตามเข้าไปก็ได้เขาเกเรก็ตามเกเรกเข้าไปด้วยนะเพื่อจะได้เป็นพวกเดียวกันเห็นไหมเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะมาทํางานเราก็ต้องมีพวกท้องนะมีเพื่อนมีฝูมีอะไรถ้าเขาไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะเขอยู่ไม่ไหวอีกลนะําบากเราไม่มีอิสระนะมนุษย์หาอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้เลย ถ้าเรามาหศึกษาธรรมะเราก็เราจะมีทางออกนะชีวิตนี้มีทางออกนะชีวิตนี้ไม่ได้อับจนอยู่แค่ความทุกข์ทางออกของชีวิตนี้ก็คือเราต้องมาเรียนรู้ทุกขนะ์ถ้าเราเข้าใจทุกข์นะเราจะอยู่กับมันแบบไม่อันตรายเหมือนอย่างบางคนนะเขาเลี้ยงงูเห่าได้เห็นไหมงูเห่าเป็นสัตว์อันตรายเห็นไหมแต่ทําไมเขาเลี้ยงได้เขาจับได้เขาเล่นได้นะเอามาพันคอก็ได้เขาเขารู้จักงูเห่าดีนะ บางคนหลวงพ่ออยู่ใกล้สวนเสือที่สวนเสือนะเขาก็เลี้ยงเสือไว้เยอะๆเลยทําไมเขาอยู่กับเสือได้ในสวนเสือนะมีซุ้มอยู่ซุ้มหนึ่งชื่อซุ้มนางพญาแมงป่องนแต่ก่อนเคยเข้าไปดูทีหนึ่งเราก็นึกว่าเป็นแมงป่องยักษ์ดาวเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่กับแมงป่องแค่แต่เองแหละนางพญาแมงป่องถ้าเรารู้จักทุกนะเราจะอยู่กับทุกได้โดยที่ทุกมันไม่ทํำร้ายเรา ทุกมันอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้จักทุกนะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทุกมันอยู่ที่ไหนทุกม <ton> ันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจทุกมันอยู่ที่โต๊ะไหมมีไหมหรือทุกมันอยู่ที่ไมโครโฟนทุกมันอยู่ที่เก้าอี้มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจนะงั้นถ้าเราอยากรู้จักความทุกข์ที่แท้จริงนะแต่ทาความเข้าใจมันแล้ก็เราค่อยมารู้อยู่ที่กายที่ใจและหลักการปฏิบัติ ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะขีดมงไว้เลยเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือตัวทุก์ั่นเองสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์หลายองค์นะองค์หนึ่งคืออ า, าจารย์มหาบัวท่านอาจารย์มหาบัวเดี๋ยวนี้เรียกกันหลวงตาหลวงตาบัวเรียกอะไรงั้นหลวงตามหาบัวท่านเคยสอนว่าการปฏิบัติเนี่ยนะให้มีสติรู้กายรู้ใจ ความเป็นจริงอ uh ย่าให้เกินกายเกิในใจออกไปคือเรียนรู้ทุกนั่นเองทุกมันอยู่ที่กายเราเรียนรู้อยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจเราเรียนรู้อยู่ที่ใ จ, ใจความทุกข์ทางกายนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วยังไงก็หนีความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้ถึงจุดสุดท้ายทุกคนจะต้องถูกความทุกข์ทางร่างกายนี่บีบคั้นจนตายทุกคนเลยไม่มีคนไหนรอดเลยนะเพราะความทุกข์มันบีบคั้นสุดจิตก็ต้องตาย แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเวลาเราเรียนนะเราเรียนเรื่องกายเรียนเรื่องใจเนี่ยถ้าเมื่อไหร่จิตใจเรายอมรับความจริงของกายของใจได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงของมันไม่ได้เราจะทุกข์อย่างร่างกายของเราต้องแก่มีใครไม่แก่มีไหมร่างกายต้องแก่ถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าวันหนึ่งต้องแก่ เวลาแก่ขึ้นมานะเราก็ไม่ทุกนะภูมิใจอีกนะโอ้เก่งนะอยู่มาจนแก่ออพวกไม่เก่งเนี่ยตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเวลาเราเจ็บไข้ขึ้นมาเรารู้ความจริงของชีวิตเนี่ยร่างกายนี้ต้องเจ็บไขนะ้เวลาร่างกายเจ็บไข้ขึ้นมาเรายอมรับความจริงได้จิตใจก็ไม่ทุรนทุรายจิตใจก็ไม่ทุกนะร่างกายนี้ต้องตายถึงวันหนึ่งมันต้องตายนะคนที่รักเรา หรือพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายเราก็ตายไปเยอะแยะแล้วเพื่อนของเราก็ตายนะญาติญาติก็ตายพวกเราก็แคนดิเดตวันหนึ่งก็ตายนะถ้าเรายอมรับความจริงได้ เ, เวลามีคนตายเกิดขึ้นมานะเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเรารู้ว่าความจริงของชีวิตเป็นอย่างนั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยอมรับความจริงของชีวิตไม่ใช่เรียนธรรมะเพื่อจะเอาชนะความจริงเพื่อจะอยู่เหนือความจริง ความจริงนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าใจยอมรับได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อมันแก่เมื่อมันเจ็บเมืเ่อมันตายใจก็ไม่ทุรนทุรายเหมือนเราทำใจได้ทำใจได้ในทางจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจเราเนี่ยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างตลอดเวลาบางครั้งเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนเสียอกเสียใจบางครั้งก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่รับนี่เป็นความจริงของชีวิต ทางจิตใจเราเนี่ยเรากระทบอารมณ์ที่ดีบ้างกระทบอารมณ์ที่เลวๆบ้างบนาะงทีก็กระทบเรื่องดีนะมีความสุขไปมีความสุขอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวความสุขก็หายไปพวกเราลองนึกซิเราอยู่กันมาแต่ละคนดูหน้าตาแล้วอยู่มาหลายสิบปีนะความสุขที่มากที่สุดในชีวิตเราอยู่ตรงไหนแต่ละคนลองนึกดูซิความสุขที่เยอะที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตเรา มันเกิดขึ้นเมื่อไหรแล้วรู้สึกไหมว่ามันหม ด, หม ด, หม ด, หมดไปแล้ววะมันไม่มีแนละ้วงั้นถ้าใจเราอยอมรับความจริงนะว่าเราต้องเผชิญกับความสมหวังบ้างความผิดหวังบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างเวลาเรารเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยใจจะไม่ทุรนทุรายถ้าใจไม่ทุรนทุรายใจก็ไม่ทุกข์หรอกนะถ้าใจปฏิเสธความจริงใจก็ทุกข์อย่างเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารัก นี่เป็นเรื่องจริงของชีวิตไม่มีใครไม่พลาดพลาดคนที่เรารักอย่างพ่อแม่เรารักเรานะปู่ย่าตายายเรารักเราคนเหล่านี้ตายไปหมดแล้วะเราเป็นที่รักของเขาเหล่านั้นของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็สูญเสียไปแล้วะไม่ใช่เราเสียท่านข้างเดียวนะท่านก็เสียเราไปด้วยใช่ไหมนั้นชีวิตนะั้นลงท้ายมันสูญเสียถ้าใจยอมรับไม่ได้จะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปก็ทุรนทุรายมาก ใครเคยอกหักไหมมีหมกล้าหารชูมือหน่อยใครเคยอกหักชีวิตนี้จะบอกให้อย่างหนึ่งถ้าไม่เคยอกหักนะไม่รู้รสชาติของชีวิตหรอก<ม> อ, อกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะเ<อ>วลาอกหักมันทุกข์ใช่ไหมสังเกตไหมมันอกมันทุกข์เพราะอะไรเราไม่อยากสูญเสียแต่ในความเป็นจริงก็คือมันสูญเสียไปแล้ว แลชีวิตนะมันบางทีมก็ได้มาบางทีมก็เสียไปเนี่ยถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกนานยอมรับได้ก็ไม่เคยทุกเท่าไหร่หรอกนี่อยู่ไปฝึกไปนะฝึกไปจนใจเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ได้มาแล้วก็เสียไปทุกสิ่งทุกอย่างนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกแค่นี้เองนี้ทำยังไงใจเราจะยอมรับความจริงได้ ใจจะยอมรับความจริงของชีวิตได้เนี่ยก็ต้องมาฝึกสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ฝึกเพื่อเอาชนะความจริงแต่วิปัสสนากรรมฐานนีฝึกเพื่อให้จิตใจของเรายอมรับความจริงของชีวิตไม่ใช่เอาชนะความจริงนะบางคนเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยไปนั่งสมาธินะมันปวดมันเมื่อขึ้นมากาคิดว่าถ้านั่งเก่งๆแล้วจะไม่เมื่อยหรือเมื่อยเราก็ทนได้จนโตรุ่ง พอต่อรุ่งได้ก็รู้สึกกูเก่งเนี่ยกลายเป็นเพิ่มกิเลสเพิ่มอีกแล้วนะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาชนะความจริงนะแต่เราภาวนาเพื่อให้จิตใจมันยอมรับความจริงความจริงของกายความจริงของใจมีแต่ของไม่เที่ยงความจริงของกายของใจมีแต่ความทุกข์ความจริงของกายของใจก็คือเราบังคับมันไม่ได้จริงเราไม่ใช่เจ้าของมันที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในอํานาจเราที่แท้จริงนะอย่างร่างกายเราเราสั่งได้รู้สึกไหม สั่งได้ลองสั่งได้นั่งเฉยๆแล้วอย่าเมื่อยนะลองดูลองนั่งดูสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแล้วก็ตอบคําถามแล้วเดี๋ยวจะไปละเนี่ยมันทาไม่ได้เห็นไหมเราสั่งไม่ได้อย่าเมื่อยห้ามได้ไหมไม่ได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าหิวอย่ากระหายอย่าร้อนอย่าหนาวนะสั่งไม่ได้สักอันนึันไม่ต้องพูดถึงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะแค่ว่าอย่าอย่าเมื่อยอย่าปวดแค่นี้ก็ห้ามมันไม่ได้ละ ความจริงของมันคือเราบังคับมันไม่ได้จิตใจก็เป็นของบังคับไม่ได้ใครคิดว่าบังคับจิตใจได้บังคับได้ไม่จริงนะในจิตเนี่ยมีธรรมชาติคิดตลอดวันรู้สึกไหมจิตของเราคิดทั้งวันห้ามได้ไหมอ้าวต่อไปนี้จงอยากคิดดูอกไม่คิดอุตรุดเลยรู้สึกไหมนะห้ามไม่ได้หรอกนะความจริงมันเป็นอย่างนี้คือไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าอนัตตา ความจริงของกายความจริงของใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความทนอยู่ไม่ได้นะความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้การบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่คือความจริงของมันทำยังไงใจจะยอมรับความจริงว่า ก, กายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยการจะให้ใจยอมรับความจริงได้นะต้องเอาความจริงมาให้ใจมันดูบ่อยๆเราไม่ค <Favor> ่อยยอมรับความจริงเพราะว่าใจของเราเนี่ยหนีความจริงไป เราลืมความจริงไปนะอย่าว่าแต่จะเห็นความจริงของกายของใจเลยในแต่ละวันนะเราลืมกายลืมใจอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมเรามีร่างกายแต่เราก็ลืมมันเรื่อยๆเรามีจิตใจเราก็ลืมมันอยู่เรื่อยๆเราลืมกายลืมใจทั้งวันคนที่ลืมกายลืมใจเ็าเรียกว่าคนขาดสติก็ได้ยินคำว่าสติใช่ไหมหลวงพ่อนั่งรถมาวันทีก็ เ, เห็นป้ายนะคัทเอาอันใหญ่ๆขอให้คนไทยมีสติอย่าตีกันอย่างนี้ ไม่มีหรอกสติสติต้องฝึกนะต้องพัฒนานะมันถึงจะเกิดสติอยู่ๆบอกให้คนไทยมีสติมันไม่มีหรอกถ้ามันไม่เคยฝึกมาไม่มีอะไรตอาอยู่ๆก็มีถ้าหลวงพ่อบอกใหม่ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมันมีไม่ได้หรอกแล้วขอเอาไม่ได้เลยนะอยากมีสติเราก็ต้องฝึกให้เกิดสติสติคืออะไรสติคือความระลึกได้ ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจนะไม่ใช่ระลึกเรื่องอื่นนะถ้ามีสติระลึกเรื่องทําบุญใส่บาตรเรื่องอะไรเงี้ยก็สติเหมือนกันแต่เป็นสติธรรมดานะถ้าจะทําสติที่จะเริญวิปัสสนาได้ต้องเป็นสติรู้กายสติรู้ใจไม่ใช่สติเพ่งกายเพ่งใจดร้อนะต้องสติรู้สึกกายสติรู้สึกใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งอย่างพวกเราหลายคนเวลาหัด ภาวนาไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สนะไปเดินจงกลมเนี่ยเวลาเดินจงกลมนึกออกไหมต้องวางฟอร์มก่อนบางทีก็มือไว้ข้างหน้าบางทีก็ไว้ข้างหลังเสร็จแล้วทะเลาะกันได้นะเอามือไว้ที่ไหนจะถูกนะเอมือไว้ตรงไหนถึงจะถูกเอามือไว้ต่อกับแขนนะอย่าให้หลุดออกจากกันมันะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันนะอยู่สำคัญคือความรู้สึกตัว แล้วเราค่อยๆหัดนะไม่ใช่เพ่งเอาให้นิ่งสติที่ไปเพ่งเอาเนี่ยเป็นสติที่ใช้ทำสมถะกรรมฐานฝึกให้จิตนิ่งเวลารู้ลมหายใจเอาสติไปเพ่งลมหายใจจิตก็นิ่งได้สมถะไม่ได้วิปัสสนาไม่เห็นความจริงของกายของใจได้แค่ความสงบนะเอาสติไปเพ่งอยู่ที่ท้องดูท้องพ อ, องท้องยุบเอาสติเพ่งไว้นิ่งๆอยู่ที่ท้องได้สมถะ เดินจนกลมอาสติไปเพ่งอยู่ที่เท้านะเท้าขายับยังไงรู้หมดเลยก็ได้สมถะการเพ่งอารมณ์อันเดียวนั่นแหละคือการทําสมถะกรรมฐานนี่ทํำยังไงจะเกิดสติที่ใช้ทํำวิปัสสนาได้สติที่ใช้ทํำวิปัสสนานะีมารุดรูร้กายกายก็ไม่นิ่งมารุดรู้ใจใจก็ไม่นิ่งทั้งตายทั้งใจนะสามารถทํางานได้อย่างอิสระเลยไม่เปลี่ยนแปลงจากปกติงั้นอย่างหลายคนนะพอเริ่มนั่งพอนมาในชะ่ไหมเอาหมึก ขวาทับมือซ้ายอะไรเงี้ยนะเถียงกระดิกนะว่าหัวแม่โป่งต่อกันหรือจะหัวแม่โป่งต่อกันนิ้วชี้นะหรือมืออย่างเงี้ยหรืออย่างงี้นะเถียงกันไปเถียงกันมานี่ไปเถียงกันที่เปลือกนะสาระแก่นสารคือความมีสติไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะอย่เรารู้ลมหายใจนะถ้าจิตไหลได้อยู่ที่หลมก็คือเพ่งนะเพ่งลมหายใจได้สมถะรู้ท้องผ่องยกไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็ได้สมถะถามว่ามีสติไหมมี มีสติรู้กายไหมมีมีสติรู้ใจไ้ยมีแต่รู้แบบเพ่งๆหอารู้แบบเพ่งๆกายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วมันก็ไม่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูหรอกมันนิ่งไปนะนิ่งสบายๆไปมันไม่แสดงทุกข์ให้ดูนะมันนิ่งแล้วมันมีความสุขมันนิ่งไปนิ่งไปมันรู้สึกกูเก่งด้วยกูบังคับได้กูเก่งนะวกูภาวนาจิตกูนิ่งตลอดเวลาฝาร้องแล้วเสียงค่อยดีขึ้นหน่อย รู้สึกไหมหลวงพ่อพูดทีเดียวใจเรากะฉอหรืออับไหมให้รู้ทันนะรู้ทันกลับมาเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> นี่ต้องโทษการไฟฟ้าไม่ใช่โทษการปราปานี่ไฟพุ่งที่แล้วเรามาหัดนะหัดมีสติแต่ไม่ใช่เอาสติเพ่งกายเพ่งใจเราให้มีสติแค่รู้กายรู้ใจสติโดยตัวของไราเองแปลว่าความระลึกได ความะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายความะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจคนในโลกนี้ไม่รู้สึกกายรู้สึกใจเรารักตัวเองที่สุดเรารักกายเรารักใจที่สุดนะแต่เราลืมมันทั้งวันเลยเราหนีไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาแล้วเราจะมาหัดจเจริญมิปพษนนะขั้นแรกเลยต้องหัดให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจก่อนถ้าเราลืมไปใจลอยไปเราก็ลืมกายลืมใจ นะถ้าไม่มีสติแล้วมาเพ่งอยู่ที่กายกายนิ่งๆใจนิ่งๆไม่สแสดงใจรักก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาอีกนะสติให้ทำหน้านที่แค่ะระลึกอย่าเอาสติไปเพ่งนะถ้าสติเพ่งแนละ้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาแสดงตัวออกมาไม่ได้เอาแค่ะระลึกรู้ความมีอยู่ของกายะระลึกรู้ความมีอยู่ของใจเธอเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาใจของเราเป็นแค่คนดูดูไปอย่างสบายๆนะอย่าง บางท่านรู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายพองร่างกายยุบใจเป็นคนดูอย่างสบายๆจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ลมจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ท้องจิตแค่รู้สึกร่างกายไปอย่างสบายๆเห็นร่างกายหายใจไปอย่นี้ใช้ได้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยร่างกายที่กาลังหายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรา มันเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะโป่งเข้าโปร่งออกนะเดี๋ยวก็ยุกเดี๋ยวก็พองไปนะไม่ใช่ตัวเราหรอกนะนี่ถ้ามาดูจิตใจเราอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะปล่อยให้จิตมันทํางานไปตามธรรมชาตินี่แหละจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายมันสุขก็ให้รู้มันทุกข์ก็ให้รู้มันดีก็ให้รู้มันร้ายก็ให้รู้ไม่ได้ให้แก้ไขไม่ใช่ว่ามันไม่มีความสุขหาทางทําให้มีความสุข มันมีความสุขแล้วหาทางรักษาไม่จําเป็นเราทํำวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาความสุขไม่ได้เอาความดีนะไม่ได้เอาอะไรแต่เราต้องการให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเราดูร่างกายไปแนละ้เห็นร่างกายมันทํางานไปยืนเดินนั่งนอนไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเหมือนวัตถุเหมือนก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งก็เพิ่มไปก็เพิ่มมา จิตใจก็เคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลานะเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะทุกอย่างเนี้ยหมุนติ้วติติต้อยู่ในใจเราตลอดเวลาให้เรามีสตินะก็ใครยรู้ทันความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆเนี่ย ก, กรรมฐานละ่ะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละคือวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่แค่มีสติรู้กายรู้ใจนะ ต้ารู้ความจริงของกายของใจถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าแค่รู้กายรู้ใจจะเป็นสมถะเช่นเราเห็นร่างกายหายใจเห็นท้องผองยุบจิตแนบนิ่งๆิ่ ง, งอยู่เป็นสมถะแต่ถ้ามีปัญญาด้วยเราจะเห็นเลยร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุที่กระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกร่างกายที่หายใจก็เป็นแค่วัตถุจิตใจแล้วก็เป็นนมามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปล ง, เ, ปลง เ, เกิดเกิดดับดับตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้เรื่องอย่างนี้เราจะได้อะไรมันจะเริ่มเกิดปัญญาน้ํัสะสมปัญญาไปทีละน้อยทีละน้อยตลอดเวลาตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเราสะสมแต่ความเห็นผิดเราสะสมแต่ความรู้สึกว่านี่คือตัวเราแต่พอเราสามารถแยกได้ว่าอันนี้รูปอันนี้นามอันนี้กายอันนี้ใจจะเริ่มเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราจิตใจที่ทางานอยู่นี้มันก็ทางานของมันได้เอง จะคิดก็คิดได้เองจะสุขก็สุขได้เองจะทุกข์ก็ทุกข์ได้เองจะโลบจะโกรธจะหลงสั่งมันไม่ได้สักอย่างเดียวการที่เห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้าอีกนะเกิดปัญญาใจมันยอมรับความจริงแล้วว่าทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะทั้งกายทั้งใจนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจเราก็ถูกกิเลสบีบคั้นทั้งวันนะอยากนั่นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็บังคับมันไม่ได้จริงเนี่ยคือการเจริญสตินะเพื่อให้เกิดปัญญา มีสติรู้กายรู้ใจดูเขาทํางานไปอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะค่อยฝึกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งปัญญาก็เกิดไม่จะเห็นเลยความจริงของชีวิตนะกายนี้ก็ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะเป็นแค่สภาวธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนะจิตใจก็เป็นนมามธรรม เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ด้วยอย่างนี้ปล่อยๆนะใจยอมรับเมื่อไหร่ก็ได้เป็นพระโสดาบันลนะเพราะพระโสดาบันเนี่ยคือท่านผู้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยรูปกับนามกายกับใจนี่เองรูปนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานามนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกายใจไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลานี่เรียนเพื่อให้เห็นความจริง นั้เราศาสนาพุทธนะถ้าเราเข้าใจศาสนาพุทธเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะไม่ได้เรียนเพื่อได้สิ่งอื่นไม่ใช่เรียนเพื่อว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะยังไงก็แก่ยังไงก็เจ็บยังไงก็ตายพระพุทธเจ้ายังปรินิพานเลยนะไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่นานไม่ปวดไม่เมื่อยนะใครอยากนั่งนานนานไม่ปวดไม่เมื่อยก็ให้หมอข้อบล็อกไขสันหลังซะ นะหรือเ็เป็นอำมาตยะนอนแง่งแม่งน่ากระดุกกระดิกไม่ได้ะไไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะเราใช้การกระทบอารมณ์ในชีวิตของเรานี่แหละเวลาจะหัดภาวนาจริงๆนะไม่ใช่ยากอย่างที่คิดหรอกนะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหลนะตาเรามองเห็นใช่ไหมอย่างเราเห็นคนนี้ขึ้นมาเราดีใจเห็นคนนี้ขึ้นมาเราเกลียดเนีย่ยเราดูใจของเราก็ได้ ใจเราเดี๋ยวก็ดีใจ <_ d ick> เดี๋ยวก็เสียใจ <_ d ick> เดี๋ยวก็สุข <_ d ick> เดี๋ยวก็ทุกข์มันดีใจมันเสียใจมันสุขมันทุกข์นะมันเกิดจากการกระทบอารมณ์ทั้งสิ้นเลยได้ยินเสียงคนนี้อย่างหลวงพ่อแก่แล้วได้ยินเสียงเพลงของเด็กวัยรุ่นเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่แกล้งว่านะฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเลยเสีญญญเยงคล้ายหมากัดกันยังไงกูฟังไม่ออกอ่ะไม่รู้มันร้องอะไรนะฟังแล้วรำคาญเนี่นยสมมติเราได้ยินเสียงเพลงที่เรารำคาญได้ยินเสียงเพลง ปูเอื้อสมัยปูยอดตาายญ่หรือโอ๊แหมมันเพลาะนะใจเราชอบเห็นไหมหูเราได้ยินเสียงเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนเสียงอย่นี้ใจชอบเสียงนี้ใจเราไม่ชอบรู้ทันที่ใจไม่ใช่ฝึกให้ใจไม่มีความรู้สึกนะไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์อยู่ตั้งนี้เฉยๆทั้งวันเลยเฉยๆฝึกแล้วพิการฝึกทำไมเห็นไหมฝึกน่ะปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ไป กระทบแล้วยินดีขึ้นมาก็รู้ทันกระทบแล้วยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันแล้วจะเห็นด้วยใจเรานี่แกว่งทั้งวันเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลบเดี๋ยวโกรเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่โลบไม่โกรธไม่หลงดูความเปลี่ยนแปลงทําม้ตัดสนากรรมฐานเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจนะอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ขอให้ดูในกายในใจอย่าเกินกายเกินใจออกไป มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจดูไปเรื่อยๆถือว่าหนึ่งปัญญาเกิดแต่ไม่จะรู้เลยมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยทุกอย่างนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงคิดดูนะถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์ใครจะทุกข์ก็เรื่องของคนนั้นสิไม่เกี่ยวกับเราเพราะเรามันไม่มีตัวเราที่จะทุกข์แล้วกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราใจมันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มี นะฝึกไปเรื่อยนะวันหนึ่งจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะอัศจรรย์ที่สุดเลยนะแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะหลวงพ่อฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกสมัยที่เป็นคารวะนะไม่ต้องนับตอนที่ฝึกสมถะนะไปติดสมถะอยู่ยี่สบสอปีตั้งแต่เจ็ดขวบไปเรียนกรรมฐานกับท่านพ่อลีวัลโศคารามเรียนได้ปีสองปีท่านก็มรณภาพแล้วเราไม่มีอาจารย์สอนต่อตอนนั้นเราเรียนได้แต่สมถะ ก็ได้แต่ทําใจให้นิ่งแต่ทุกวันก็ฝึกให้นิ่งนิ่งไปเรื่อยนะจนมาเจอหลวงปู่ดูลตอนนั้นอายุ29เก้ามาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันทํางานฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดาในชีวิตของคารวาะนี่เองตอนนั้นรับราชการอยู่นะรับราชการมีพวกเราใครเป็นราชการหรือรักวิสาหกิจลองยกมือให้ดูซิมีม้ไหม มีเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยเอาเวลาหลวงมาฟังเทศก็ <c oughs> ถือเป็นความฉลาดของผู้บริหารนะเพราะว่าถ้าลูกน้องนะมีธรรมะเนี่ยหน่วยงานดีนะอย่างน้อยลูกน้องไม่กลัวอ่ะเมื่อหลวงพ่อเป็นขลราชกุอยู่รับรชาชการอยู่ตื่นเช้าวันจันทร์ข้าราชการรู้สึกยังไงเช้าวันจันทร์สดชื่นไหม เส็จเชิญอ่ะเนี่ยพูดกันด้วยหัวใจซื่อๆเช้าวันจันทร์น่เบื่อเซ็งวันอาคารเบื่อมากกว่าวันจันทร์อีกรู้สึกไหมวันพุธสุตเซ็งรู้สึกไหมวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมพอตื่นเช้าขึ้นมานึกว่าวันนี้วันศุกรนะ์เนี่ยหัวใจกระดีกระดานะรู้บอกไหมแค่ตื่นนอนนะแล้วใจเราคิดว่าวันนี้วันจันทร์ใจเราก็เปลี่ยนแล้ว คิดว่าวันนี้วันอังคารใจของวันอังคารก็ไม่เหมือนใจของวันจันนึกออกไหมใจของวันพุธก็ไม่เหมือนใจวันอังคารใจวันพฤหัสกับวันพุธเนี่ยต่างกันมากเลยใจวันศุกร์กับวันพฤหัสก็ยังต่างกันนะแค่ตื่นนอนแล้วนึกว่าวันนี้วันอะไรใจเรายังเปลี่ยนเลยนี่ยเรามีสติตามรู้ไปนะหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนนะะถึงจะทําราชการนะเป็นข้าราชการดีเด่นอะไรยังไงก็ตามนะมันก็ขี้เกียจอ่ะไม่ทําก็สบายดีนะ บางวันนึกขึ้นได้นะโอ้ลองวิ่เอ็นนี่สุขมากกว่าปกติอีกนะนึกว่าวันนี้ลองวิ่เอ็นนึกไปนึกว่าจำวันผิดวันนี้ต้องตะลีตะลานไปทำงานแล้ใช่ไหมหรือเราขับรถไปเราติดไฟไ ฟ, ไฟแดงคันที่หนึ่งรู้สึกยังไง ร, รู้สึกซับเฟอร์มากรู้สึกไหมถ้าติดไฟแดงคันแรกถ้าติดคันที่สิบเนี่ยไม่ค่อยซับเฟอร์เท่าไหร่ถ้าติดคันที่ร้ออ่ะรู้สึกไง รู้สึกเสง่ใช่ไหม อ, อีกรอบหนึ่งก็ไม่พ้นหรอกเนี่ยโปงตกนะเพราะแค่ติดไฟแดงนะลำดับของการที่ติดไฟแดงความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยเวลาจะกินข้าวความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันยนะวันนี้เดินเข้าไปโรงอาหารนะแม่ค้าทําแต่ของชอบของเราเลยร้านนี้ก็ชอบร้านนี้ก็ชอบนะเห็น <uno> เลยใจมันชอบใจมันดีใจวันนี้เข้าไปโรงอาหารนะมีแต่ของไม่ชอบใจรู้สึกไงรู้สึกแม่ค้านี่ขาดความคิดเริ่มนะไมนะีได้เรื่องเลย น e. ใจเราเปลี MacBook ่ยนตาเราเมาเห็นความรู match, s. <S ้สึกเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมฟังเพลงนี้ชอบเพลงนี้ไม่ชอบใจเราเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นนี่ยกำลังหิวข้าวอยู่ได้กลิ่นไข่เจียวลอยมาโหน่ากินใช่ไหมกําลังอิ่มจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วได้กลิ่นไข่เจียวลอยมาลอยมาไม่อยากกินแล้วใช่ไหมสยิดสะเอียนแล้ว่กลิ่นมากระทบนะใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้ กลิ่นลิ้มได้รถนะใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนเพราะเราเคยมีไหมที่เราอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆก็นึกถึงใครขึ้นมาสักคนหนึ่งซึ่งแสนจะเกลียดนมีบ้างไหมอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาเองนะอยากจะไม่นึกนมันยิ่งนึกบ่อยสังเกตไหมยิ่งเกลียดใครก็ยิ่งนึกถึงคนนั้นบ่อยเนี่ยมันทําให้จิตใจเราบั่นไหวขึ้นมาเวลาเรารักใครเราก็คิดถึงคนนั้นบ่อยรู้สึกไหมเวลาเราเฉยๆเราจะไม่ค่อยคิดถึงะ เวลาใจเราคิดนะความรู้สึกก็เปลี่ยนให้เรามีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ตามมองเห็นนะโอจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนทั้งปันเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปมันมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างเป็นกุศลบ้างตามรู้ตามดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความสุขก็เป็นของชั่วคราว ความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวโลรโกรดหลงก็ชั่วคราวนะจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นของชั่วคราวเนี่เรามาหัดภาวนามาดูของจริงในใจเราเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเห็นไปเห็นไประ้ว่านหนึ่งจิตยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพระโสดาบันเห็นตรงนี้ท่านเห็นตรงนี้เพราะท่านดูแล้วดูอีกจนใจยอมรับความจริงพวกเราไม่ยอมดูนะถ้าเราดูไม่นานก็เป็นพระโสดาบันได้ ท้าเมื่อไราใจเกิดปัญญาเนี่ยเห็นความสุขก็เป็นของชั่วคราวเห็นความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเห็นอะไรใดก็ของชั่วคราวจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาคือใจเนี่ยจะหมดการดิ้นรนใจของเราดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้เราอยากหาความสุขที่ถาวรเราอยากหนีความทุกข์อย่างถาวรใจดิ้นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไราใจอยอมรับความจริงนะว่าสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราวใจจะไม่ดิ้น ใจที่ไม่ดิ้นนะั้นคือใจที่ไม่ปรุงแต่งนะใจที่ไม่ดิ้นใจที่ไม่ปรุงแต่งนะมันจะพ้นจากความทุกข์ใจที่ทุกข์อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมันดิ้นไม่เลิกเพราะมันปรุงแต่งไม่เลิกถ้าเมื่อไรมันเลิกปรุงแต่งไปมันก็พ้นทุกข์เคยได้ยินพระสวดไ้ว่าอะไรนะอนิจจังวตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโน อุปชิตตวานิรุตชันติเตสังูปัสโมสุขโขใครเคยได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยววันที่ตายแล้วนะท่านพระชักนอนสกุลจะได้ยินนะเตสังูปัสโมสุขโขสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเยสงบจะได้จะเป็นสุขความปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่สังขารที่นอนอยู่ในโรงนะใจเรานี่แหละปรุงแต่งทั้งวันนะ ท้าเมไรใจนี้ก้าวพ้นความปรุงแต่งไปเฮ้ยพระดอาหาร น, นะใจจะก้าวพ้นความปรุงแต่งไปสุขท่านก็เป็นกลางนะทุกไม่มีอุเบกขาท่านก็ยังมีได้นะมีอุเบกขามีความสุขได้แต่ใจท่านเป็นกลางใจท่านไม่เสพอารมณ์นะใจจะไม่ทุกข์เลยใจของเรายังทุกข์อยู่เพราะว่ามันยังอยากอยู่มันไม่ยอมรับความจริงมันยังดิ้นรนไม่เลิกที่มันดิ้นรนไม่เลิกเพราะปัญญามันไม่พอมันไม่เห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราว ถ้าเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวใจมันก็เลิกดิน้นก็แค่นี้เองนะเป็นหลักการง่ายๆเลยแต่ว่ากว่าจะยอมรับได้นะั้นก็ต้องสู้กันหนักหน่อยตามรู้ตามดูของจริงในกายในใจไปโดยเฉพาะพวกเราเป็นคนในเมืองคนในเมืองเนยกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะคือดูใจของเราจิตใจเราแกล้งทั้งวันนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยจนวันนึงเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะนี่สอนเอาแค่พระโสดาภรณ์นะวันนี้ มากกว่านี้เดี๋ยวก็ฟูงไปเอาไว้ได้โสดาแล้วมาเรียนต่อนะเชิญใครจะถามใครฟูง้งซานบ้างยกมือซิเห็นไหมใจดีพิคิดใครใครใครจะถามนะเห็นไหมใจเราใสายส่ใส่ไปเรื่อยสัลโหลันมัสการหลวงพ่อครับก็ อยากใ้หลวงพ่อทุกแางนลยครับทุกแรงแรงเลยเหรอครัะจิตมีโมหะดวออกไหมดูดวกครับจิตมันมืดจิตมันมัวจิตมันไม่สงบดวออกไหมดูอกครับจิตมันไม่เป็นกลางดวออกไหมดวกครับมันไม่เป็นกลางมันก็ดิ้นถ้ามันเห็นแล้วมันเป็นกลางมันก็ไม่ดิ้นนะดูทุกอย่างนะรู้ทุกอย่างอย่างที่จิตมันเป็นแต่รู้ด้วยความเป็นกลาง แอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับเออรู้สึกแล้วก็อย่าหลงนานอืมครับแอบเพ่งอยู่อ่า ไ, ไปตกลงบางคนงงเนาะส่งกันบ้านเลยฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> อยากรู้เรื่องก็ภาวนาสินะอ้าอยากให้ทุกแรงแรงทุ ก, ก, กอีกแล้วนี่มันเล่า ก, กันบ้านกันชัดๆเลยนะ <c oughs> ของหนูจะเด่นความฟุ้งซ่านค่ะหลวงพ่อจะเห็นว่ามันฟุ้งทั้งวันเลยค่ะอยากห้ามมันไหม ไ ม, ไม่ชอบอหรือว่าชอบฟุ้งสนุกดีมันเบื่อมันฟุ้งจนเบื่อค่ะนั่นแหละมันเบื่อเพราะใจเราไม่เป็นกลางใจมันฟุ้งนะแล้วเราไปเบื่อแทนใจทำไมอ่ะให้ดูความฟุ้งไปให้รู้ทันความเบื่อ คือหลักของการดูจิต ด, ดูใจนะมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งให้รู้ทันความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาเนะช่นใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นี่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองว่ามันมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตยินดีก็รู้ทันจิตยินร้ายก็รู้ทันมันไม่รู้ด้วยความเป็นกลางจริงอะ่ะมันเห็นความสุขมันก็ยิน ดีให้รู้ทันว่ามันยินดีนะมันฟุ้งซ่านมากใจมันเบื่อให้รู้ทันว่ามันเบื่อแล้วมันไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นอันแรกรู้สภาวะนะอันที่สองรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในที่สุดจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางฝึกอย่างนี้นะจะนิวทั้งเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นกลางต่อความสุขเป็นกลางต่อความทุกข์เป็นกลางต่อกุศลและอกุศลจิตที่เป็นกลางก็ไม่ดิ้นรน ครูบาาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เท ศ, เทศซึ้นไปนานละวนะหลวงปู่เทศบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงถ้าเรายังไม่เป็นกลางใจก็ยังดิ้นอยู่ใจดิ้นอยู่ใจก็ยังทุกข์อยู่หลวงพ่อคะหนูเหมาะกับรูปแบบไหนคะพยายามกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกตัวบ่อยๆนะ <c oughs> ใจเราฟุ้งมากต้องเอาร่างกายมาช่วยหน่อยน ม, มาสการกับหลวงพ่ออยากถามสองคำถามค่ะ ตื่นเต้นเหมือนคนอื่นทั้งทั่ธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเจอหลวงพ่อนะยิ่งกว่าเจอดาราอีกห้ือแม่ยกเว้นมีดาราอยู่คนเดียวถ้าเจอแล้วจะตื่นเต้นมากกว่าหลวงพ่อคือไม่เคล่นจักสรถ้าเจอตรงนี้คงวิ่งเลยนะ มีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนติดจูบเหมือนที่พระอาจารย์บอกติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่คติดทุกฝั่งเลยนะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองทําอะไรที่ยัง ท, ที่ดูแล้วยังพลาดอยู่มันเกิดจากการจงใจปฏิบัติก็จงใจปฏิบัตินั่นก็คอยผิดจ้องไว้ใจก็ติดทื่อๆ อ, อยู่ เพราะงั้นถ้าใจอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากนะแล้วดูไปของคุณไปดูนะใจมีความอยากใดๆเกิดขึ้นคอยรู้ทันบ่อยๆไปดูตัวนี้ไปอีกคำถามอะคะ่ะเป็นคนขี้เกียจมากไม่ยอมออสดมนต์นะคะไม่ปฏิบัติตามรูปแบบอะคะ่ะก็ไม่รู้จะมไม่เป็นไ ร, รนเราขี้เกียจล้วไม่ปฏิบัติแล้วก็ทุกไปก่อน <c oughs> อยุติธรรมนะ ยุที่ทําที่สุดเลยธรรมะต้องทำเอาเองนะอดทนหน่อยมันไม่มีใครหลอกอยู่ก็พอวนาเก่งอยู่ๆก็พนทุกนะอดทนเอาสู้เอาเชียร์นะสู้ตายเอาจบ ที่ที่ผมทําอยู่เป็นไงมั้งครับอย่าเพ่งสินะปล่อยไปแต่ว่าที่คุณภาวนาอยู่ตอนที่ไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยเริ่มใช้ได้ละใชจมันเริ่มตื่นใจแอบไปคิดทราบไหมทราบครับใจดีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างเนี้ยตอนนี้เพ่งอยู่ทราบไหมทราบครับทราบอย่างที่มันเป็นนะครับไม่ต้องแก้มันหรอกต่อไปเรื่องคนที่ภาวนานะไม่ถามยาวอะ คนที่ถามยาวคือพวกชอบเล่าพวงสวัสดานเนี่ยไม่ค่อยภาวนา <c oughs> นอกจากหลวงพ่อค่ะดูกายดูจิตมประมาณปีนึงหลังจากการฟังซีรีจริงๆเราจะดูได้สองแบบคือแบบแรกคือที่เห็นบ่อยคือความอยากเห็นพอเห็นความอยากแล้วมันจะดับทันทีเลยค่ะแบบที่สอง <c oughs> เห็นความอยากแล้วอะไรนะความอยากดับทันทีนะะเลยค่อถูกต้องแบบที่สองคือเห็นความเจ็บนี่ที่พอจะดูทันว่าจิตจะเป็นผู้รู้แล้วก็ไปรู้ความเจ็บที่แทรกเข้ามาอ แล้วก็พยายามจะทำสมาธิทำสมาธิด้วยการนั่งสมาธิทุกวันแต่พอนั่งไ ป, ไปก็เผลอไปก็เลยกลายเป็นการดูจิตแทนอย่างนี้ถูกไหมคะได้ให้มันยังรู้กายให้มันรู้ใจอยู่ใช้ได้ถ้าเผลอไปแล้วลืมกายลืมใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้นะ <S <S ทําไมดูเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วความอยากดับทันทีเพราะความอยากเป็นกิเลส ท, ทันทีที่สติเกิดกิเลสจะดับทันทีแต่ทําไมดูความทุกข์ในกาย รู้แล้วไม่ดับวราความทุกข์ไม่ใช่กิเลส<ช>คนละขันกันเพราะฉะั้นความทุกข์เป็นวิบากไม่ดับหรอก<ช>บางช่วงก็มีอาการเบื่อนี่ไม่ทราบเบื่อเพราะปัญญาหรือว่าเบื่อเพราะเบื่อเพรา ะ, ะโทสะ ใ, <ช>ใจยังไม่เป็นกลางจริงค<ช>รู้สึกไหมเบื่อๆอยากๆ<ช>อย่ามาหลอกเราไม่ให้กินหรอก <laughs> บางทีเวลาภาวนาไปรู้สึกว่ามีก้อนอยู่ตรงกลางอกอะค่ะบางทีก็ปวดอัดบางทีก็อันนั้นก็จงใจปฏิบัติถ้าเมื่อไรเราบังคับจิตใจของตัวเองน้ำจะแน่นขึ้นมาที่กลางอกนะถ้าไม่บังคับมันก็คลายออกแต่หัดใหม่ๆก็แน่นทุกรายก็ให้รู้ไปว่าอยากให้หายใช่เห็นไหมนี่ใช้ได้ล้วรู้ว่าไม่เป็นกลางอยากให้หายคือมันไม่เป็นกลางเลยบินไปฝึกอีกข้าพนจมัสการหลวงพ่อครับ ขอให้หอช่วยแนะนําข้อบอกพร่องเลยครับอบอกพร่องเลยเหร อ, อแนะนําให้บกพร่องเหรอแนะนำว่าบกพร่องครับ <laughs> ดู ใ, ใจเรามีโมหะใจเรารู้ตัวไม่ชัดรู้สึกไหมมันโ ม, ม่โม่ใจมันฟุ้งซ่านใจไม่ค่อยมีเรียวมีแรงรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องอยากดีนะถ้ามันไม่ดีให้มารู้ว่าไม่ดีรู้ด้วยความเป็นกลางอันนี้ใช้ได้จิตแอบไปคิดทราบไหมหลงไปคิด เขาคุณดูกายไว้ด้วยนะดูจิตอย่างเดียวไม่พอของคุณเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวคุณจะดูกายชัดกว่าดูจิตอีกนะดูกายไปไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตหรอกดูกายถูกต้องก็เกิดสตินะดูจิตถูกต้องก็เกิดสติเกิดสติอย่างเดียวกันด้วยนะต่อไปท่าัชการครับอยากขอวิหารธรรมครับของคุณดูกายบ่อยๆนะ ร่างกายเคลื่อนไหวกอยรู้สึกรู้สึกกรรมาฐานเดิมที่ทำมาทำสมาธิมาเยอะเมื่อทำสมาธิมามากเนี่ยดู ก, กายไว้ก่อนเห็นร่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเป็นของที่จิตไปรู้เข้าดูอย่างนี้บ่อยๆนะเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึกนะอย่างนี้นะเดี๋ยวรู้กายชัดรู้จิตชัด แล้วแล้วที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันคือรู้ ล, ลมแล้วลมนิ่งไปนี่สมร tha ให้ต้องตามรู้ไปหรือว่าให้เลิกไปเลยให้รู้ทันว่าจิตนิ่งแต่ก็ยังต้องปฏิบัติอยู่ใช่ไหมปฏิบัติอยู่นะไม่เลิกนะก็นั่งหายใจไปจิตสวกก็รู้หายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้หายใจแล้วรู้ทันจิตจำตัวนี้ไว้น ะ, ะหายใจแล้วรู้ทันจิตถ้าหายใจแล้วก็รู้แต่ลมแล้วก็ซึมอยู่กับลมไม่เกิดปัญญา งานต่อไปขอการส่งกันบ้านค่ะตึงเต้นก็ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่ากิเลส ต, ตัวใหญ่ไม่ค่อยมีเห็นก็จะร่มเริ่มดูกิเลส ต, ตัวเล็กมากขึ้นนะคะแล้วกเ็เริ่มปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าในระหว่างวันก็รู้สึกตัวชัดขึ้นแล้วก็ มีความรู้สึกว่าตัวฉันเกิดขึ้นเป็นขั้งข่าวน่แน่ดีแล้วนะแล้วก็มันมันกเ็เบาบางลงไม่รู้มไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะเข้าใจถูกนะแต่อย่าประมาทนะค่ะค่ะกิเลสแรงๆยังกลับมาได้อีกนะคะถ้ามันกระทบความผิดหวังแรงๆมันก็มาอีกใช่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่า เ, เวลาอุปสรรคในชีวิตมันทําให้เรา <c oughs> มันทําให้เรามีแรงที่จะภาวนามากขึ้นแต่ แล้วว่าความการณ์ที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตมันมันทําให้เราหลงแต่เพลิดเพลินมน <ๆ S 1> นากไปมันเป็นคนคนนะบางคนประสบความสําเร็จไม่หลงก็มีค <ฮะ S 2> ่ะห <ฮะ S 2> ลวงพ่อคะออหนูควรจะทําเหตุอย่างไรให้มันดีกว่านี้อะค่ะขยันดูนะดูทุกวันดูจิตไปนะรักษาศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ซ้อมทําในรูปแบบทุกวันทุกวันเช่นบ้างสวดมนต์ไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้เงี้ย พอเรามาอยู่ในชีวิตประจาวันพอใจลอยปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยค่ะต้องทำเหตุมันต้องซ้อมอคนตับไปอย่าประมาทนะหนูนเวลามันเจอปัญหาเนี่ยกิเลสแรงๆยังกลับมาได้อีกนะราผมพ่อค่ ะ, ะเป็นนักเรียนซีดีค่ะปฏิบัติมา ไ, ได้ได้ประมาณปีหนึ่งค่ะอยาให้หลวงพ่อช่วยดูนิดนึงค่ะว่าต้อง ดูไปๆเห็นไหมใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะดูไปรู้จักใจลอยไหมใให้ใจให้กันบ้านนะพอใจลอยแล้วรู้ไวๆดูตัวนี้ไหมพอใจลอยเก่งอ่ะต่อไปน่าจะการเจ้าการหลวคคือว่าพยายามจะตามดูแต่ว่าก็ดูได้ยังไม่ค่อยดีอ่ะก็ ใช้ใช้อย่างที่หลงพ่อเทศนะคะใช้บริกรรมว่าแบบฝูดดูกายใช่ไหมคะก็ว่าถ้ากายเคลื่อนเคลื่อนหมายใจเป็นคนดูท่ออย่างนี้ตลอดอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะได้แต่อย่าเพ่งนะคือมันมันก็ไม่รู้ทำยังไง ค, คือว่าให้รู้ความรู้สึกส ด, ส ด, สดร้อนร้อนหน่อยนะตอนนี้รู้สึกยังไงใช่หไหม อย่างตอนนี้เรารู้สึกคับข้องใจครับขับข้องใจขึ้นมาเราก็รู้ว่าจะภาวนาไงดีนี่ก็ไม่ได้นี่นะใจมีความคับข้องใจเกิดขึ้นรู้ว่าคับข้องใจแค่นี้เองรู้สึกไหมใจสงบกว่าเมื่อกี้แล้วแค่รู้ทันนะมันจะสลายตัวเลยใจมันจะรู้ใจมันตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วไม่ทราบว่าหนูควจะทำวิหารธรรมอะไรดีครับดูไปนี่แหละกายบ้างใจบ้างนะต่อไป เห็นเออเวลาทําแล้วเหมือนก็เห็นกายมันกระตุกบางส่วนนะครับหลวงพ่อแล้วก็กำหนดพุทโธแล้วเพ่งที่หน้าผากเหมือนมากําหนดอยู่ที่หน้าผากแล้วก็อยากขอกันบ้านหลวงพให้กันได้สมถะนะเราปรับวิธีภาวนานิดนึ่งเราพุทโธเนี่ยเราพุทโธไม่ใช่เพื่อเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งคําว่าพุทโธจริงๆก็คือคําว่าจิตนั่นเองพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตเรานั่นแหละ ถ้าเราหัสบริกรรมพุโทโธนะพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธแล้วเพ่งให้จิตนิง่งเรากลับวิธีนี้นึงนะแล้วคุณจะเห็นเลยพุโทโธพุโทโธนะจิตไหลแว บ, บไปแล้วเราต้อมาพุโทโธพุโทโธจิตไหลอีกแว บ, บนี้ต่อไปพอจิตไม่ขยับตัวนะเราเห็นเลยมันจะสงบของมานเองของคงทําตอนนี้มันเป็นสมถะเยอะไปมันจะไม่เดินตัญญามันจะนิง่ง รู้ึกไมมจะนิ่งๆใช่ครับถ้านนิ่งอย่างนี้นะกี่ปีก็อยู่ตรงเนี้ได้ครับนะได้แค่นั้นเราสมถามันทําได้แค่นั้นคือได้ความสงบนะนความสงบอย่างเดียวไม่พอหรอกวันใดวันหนึ่งกําลังของสมถาตกไปความทุกข์มันก็กลับมาอีกแตนะ่เมื่อเรามาหาัดเจริญปัญญาแทนที่เราจะพุโทโธให้จิตนิ่งเรามาพุโทโธแล้วรู้ทันจิตดิพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเล่นๆอย่พุโทโธจรงิงจังเขาคุ้มจรงิงจังไป ทำอะไรให้ง่ายๆ่ายกว่านี้ออกกันบ้านนะครับทําตัวให้สบายกว่านี้ แ, แข็งไปทําไมกายถึงกระเห็นใจ ก, กระตุกได้เองนะครั บ, บมออยู่บางทีเพ่งมากๆก็กระตุกนะแล้วบางทีไม่ต้องทําอะไรมันก็กระตุกออกมาเอง ม, อมันก็กระตุกกันทั้งวันนั่นแหละพุโทโธแล้วก็คอยสังเกตจิตเขาเขาเอ ง, เงไม่ใช่พุโทโธเล่นเล่นเพราะจิตมันแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่พุโทโธเราเพ่งจิตนะ ไม่ใช่พุทโธพุทโธโธโธนี่บังคับจิตไม่ใช่ตรงที่หัวร้อนตะกี้นะันตรงนั้นนะ่ะคือจิตที่รู้สึกตัวรู้สึกไหมมันเปิดโล่งใช่ไห ม, มคลายออกถ้าจิตที่อัดอะไรเงี้ยนะไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตที่มันเปิดตัวเองออกมาอย่างเมื่อกี้คือจิตที่รู้สึกตัวหัวร้อนกี้สิหัวร้วววสวยดี เนี่ยรู้สึกไหมตรงเนี้ยที่ถูกต้องรู้สึกสบายจริงครับนั่นแหละตรงนั้นนะ่ะจิตที่มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้เ ค, เคร่งเครียดใช่ไถ้าจิตเป็นผู้เ ค, เคร่งเครียดถึงไม่เรียกว่าเป็นผู้โตหรอกผู้โตตัวปลอมไปยิ้มบ่อยๆไว้คนตับไปถาบธรรสการหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อพาะฟังซีดีแล้วก็จเจริญภาวนามาปีกว่าตอนนี้เพิ่มในรูปแบบ แล้วก็ฟังซิดีหลวงพ่อเป็นเครื่องอยู่บ้างสวดมนต์บ้างดูออาไหมจิตมันมีแรงมากขึ้นจิตมันเริ่มมีกำลังแล้วว่ามันมีกำลังแล้วเราไม่ไปเพ่งมันนะปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูไปที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นแล้วขอบคุณขอบคุณค่ ะ, ะการภาวนาต่างๆที่ทามาความภาคเพียนที่ทำมาขอถวายเป็ น, นพุทธบูชาและอาาริยะบูชาโมทโมทนานะ เราไตเติ้ลเราก็รู้ล้วอย่าลงอย่างเงี้ยนะนั ก, ก ร, รังคมปฏิบัติกับทางเสียดีมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับก็เห็นสภาวะสังเกตไม่มใจเราเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็เฉยๆอย่างเงี้ยใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเราไม่ได้ภาวนาให้ใจนิง่งแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆรเริ่มเริ่มเห็นสภาวะแล้ว เราอยากขอการบ้านแล้วก็เบียร์เราทดูบ่อยๆนะดูจิตไปเรื่อยเราเป็นคนช่างคิดดูจิตไปเรื่อยๆแต่ตอนไหนมั่วซั่วดูจิตไม่รู้เรื่องก็มาดูกายไว้ดูจิตไม่ไหวดูกายไม่ไหวก็มาพุทโธไว้อันนี้ก็อีกข้อเนี้ยครับอย่างทาบว่าสิ่งแวดล้อมครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรมีส่วนช่วยในการมีส่วนช่วยนะวีเอินซียเราอยังไม่แก่กล้าที่จะไปด้วยตัวเองกัลยาณมิตร อย่างครูบาจารย์อะไรเงี้ยสำคัญสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งถ้าเราขาดกระยาณมิตรนะเราห่างครูบาจารเนี่ยโยนิโสมานัสิการเนี่ยสำคัญที่สุดเลยโยนิโสมานัสิการนะคือความแยบขายในการพิจารณาในการสังเกตเป็นปัญญาชนิดหนึ่งนะเช่นเราภาวนาไปแล้วใจเราซึมซึมไปเรื่อยนะถ้าเรามีโยนิโสมานัสิการเราจะรู้วไม่ถูกแล้ว ภาวนาแล้วทำไมใจเสื่องซึมคงที่อยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเห็นใจรักกลายเป็นเห็นอัปลักษ์คือ น, นิ่งๆซื่อบื้ออยู่อย่างนี้นใช่อย่างนี้ผิดละ นั้นโยนิสมสนาสิกาเนี่ยเป็นความช่างสังเกตของเราโดยมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรลัต ฐ, ฐานท่านสอนให้เรารู้กายรู้ใจเนี่ยตอนนี้เรารู้กายรู้ใจจริงไหมหรือเราลืมกายลืมใจอยู่เรื่อยๆบางคนภาวนาไปแล้วไปติดอยู่ในความโล่งความว่างว่างๆ ว, ว, ว่างทั้งวันนะไม่ได้ดูกายดูใจถ้ามีโยนิสมสนาสิกาที่เจะรู้ว่าทําผิดละไม่ดูกายไม่รู้ใจบางคนมารู้กายรู้ใจแล้วก็ทื่อๆนิ่งๆไม่มีไตรลักณ์ให้ดูเนี่ย ถ้าถ้ามีโยนิโสมานัสสิกาเนี่จะรู้ว่าไม่ถูกละเพราะไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนว่าขันห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มั น, นเที่ยงไปหมดแล้วนะ เั้นถ้าเราห่างครูบาอาจารย์เนี่ยต้องใช้ความสังเกตนะว่าเราได้รู้กายรู้ใจจริงไหมหรือเราไปบังคับกายบังคับใจเรารู้กายรู้ใจแล้วเราเห็นให้กายให้ใจเขาทำงานไปตามธรรมชาติหนะรือปิดกฎใหนิ่งใครรู้อย่างนี้บ่อยๆจะช่วยเราได้เยอะนะครับครับหลวง่ออยู่ห่างครูบาอาจารย์นะก่อนครูบาอาจารย์อยู่อีสานอะ่ะ นานกว่าจะได้ไปทีหนึ่งสามเดือนสี่เดือนนะต้องรอนะมาคะวิสาขะเนี่ยเข้าพรรษาแล้วก็วันเฉลิมนะในช่วงนี้แหละเราก็จะลาหัวลาท้ายอะไรเงี้ยได้เยอะหน่อยนะไปหาคูบาอาจารยนะ์สามสี่เดือนถึงจะได้ไปหาท่านครั้งหนึ่งเวลาที่เหลือเนี่ยเราใช้ความสังเกตเอานะใจเราไปติดไปข้องไปนิ่งไปซึมไปทื่ออะไรไหมหรือว่าสบายมีแต่ความสุขภาวนาแล้วจิตมีความสุขตลอดวันตลอดคืนตอ้องผิดแล้วละ่นะ ทำไมไม่เห็นทุกข์เห็นแต่ความสุขก็ต้องผิดนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่ามันทุกข์นะดูจากคําสอนพระพุทธเจ้ า, เาต่อไปหลักธรสการ์หลวงพ่อเาาจ้าค่ะจิตของลูกขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะขณะนี้กดไหม่หน่อยนะมันตื่นเต้นเลยไปข่มมันไวนะ้สังเกตไหมใจเราเนี่ยถ้าไม่ข่มไว้มันจะฟุง้งซ่าน ของโยมไปคอยดูนะใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆนะส่วนหนุ่มที่ส่งกันบ้านแล้วเนี่ยดีนะไปดูบ่อยๆอย่าไปกดจิตให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้ไปของโยมนั้นห น, นีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเออใจหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้ตอนนี้ใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมหลวงพ่อยังรู้สึกเลยเราก็รู้สึกของเรานะ เนี่ยสังเกตไหมใจตอนนี้ยเบากว่าเมื่อกี้ไหเนี่ยดูไปนะใจเดี๋ยวก็หนักใจเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูความเปลี่ยนแปลงนะดูไปจนใจเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะคุณพระอาจารย์ค่ะเออได้ฝึกปฏิบัติมาหลายเดือนแล้วแต่รู้สึกว่าหลงไปนานแล้วก็จิตใจไม่ค่อยมีแรงอะค่ะเราซ้ำเดินจงกรมบ้างนะ สองเดินจงกลมเดินรู้สึกตัวเดินจงกลมไม่ใช่แปลว่าเดินกลับไปกลับมาเดินจกลมคือรู้สึกตัวหรือไปทํางานบ้านก็ได้กวาดบ้านถูกบ้านอะไรเงี้ยแต่เราเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหันบ่อยๆใจจะมีแรงมากขึ้นของคุณแรงน้อยไปค่ะคุณจะทําในรูปแบบมากขึ้นบนโลกใช่ใช่แต่ถ้าทําในรูปแบบแล้วเคร่งเครียด น, นะไปทํางานบ้านทํางานบ้านดีนะ เป็นกรรมฐานที่พิเศษมากเลยเราชอบละเลยเราคิดว่าต้องไปเดินจงกรมกลับไปกลับมาถึงจะเรียกว่าปฏิบัติบอนพระอยู่วัดเนี่ยพระกวาดวัดพระกวาดวัดด้วยความมีสตีนั่นแหละการปฏิบัติหละอย่างนั้นยิ่งดีใหญ่เลย เ, เวลานั่งสมาธิเนี่ยจะรู้สึกฟุ้งซ่านมากแม้กระทั่งเดินจงกรมก็ฟุ้งซ่านไม่ห้ามเดินไปเราก็รู้ทันกายเดินไปแล้วรู้ทันใจถ้านั่งอยู่ก็รู้ทันกายรู้ทันใจร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเห็นมันฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบเห็นไห ม, ไมใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้ต้องทําไม่เป็นกลางไหมคะไม่ทํามันเป็นกลางเอง นิพพานนามรรมาเนี่ยไม่มีคำว่าทำมีแต่คำว่ารู้ตามความเป็นจริงรนะไม่มีคำว่าทำเราจะไม่ดัดแปลงแก้ไขได้แต่ทางสิ้นต่อไปคนรจะทำในรูแปแบบมากขึ้นใช่ๆช่ทำงานนะดีที่สุดนะดีกว่าไปเดินจงกรมแบบซีเรียสถ้าเดินแล้วก็เครียดเครียดเงี้ยยิ่งแย่ใหญหนะ่แต่บางคนก็เดินได้นะบางคนก็ไปทางานกลั ว, ลวไหม กลัวหลวงพ่อไหมไม่กลัวบ้างไหมไม่กลัวเลยนะขอแข็งขอคำที่แน่ค่ะที่ปฏิบัติอยู่ก็ขอการบ้านขอวิ่ารธรรดูไปดูใจอย่างซื่อๆนะสังเกตไหมใจขณะนี้ปรุงแต่งยังไงยังไม่นิ่งใช่เห็นไหมตัวปลอมเราอย่าไปสร้างตัวปลอมให้มาเราเอาตัวจริงออกมา ตัวจริงขอเราเนี่ยใจมันไม่นิ่งหรอกอเนี่ยปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามดูไป เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธไหมรู้จักไหมหลวงพ่อพุทธสอนกรรมฐานเก่งมากเลยนะท่านสอนกรรมฐานเหมือนไม่ใช่กรรมฐานเลยท่านบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดแค่มีสติตามรู้เรื่อยๆไป <Okay. S 1> ตามรู้อะไรอะ่ระก็รู้กายรู้ใจร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำนะจิตมันก็ทําพูดคิดอะไรเงี้ยก็รู้ทันมันเพราะที่ปฏิบัติอยู่คือตามรูปแบบนี่ใช้ได้ไหมคะ อย่าให้มันซึมก็แล้วกันนะซึมไปเว <Okay. S 1> ลาเราทำสมาธิเราน้อมใจให้ซึมซอย่าน้อม <Okay. S 1> กระตุ้นใจให้กระพรี่กระเปื่ไว้นะต่อไป หลังนมรดการพระคุณเจ้าค่ะหนูคงจะเป็นศิษย์ใหม่นะคะ<ม>ก็จะกราบเรียนถามพระคุณเจ้าว่าในปัจจุบันเนี่ยหนูจะเป็นคนสวนมนุ์ภาวนานะคะแต่ก็เคยมีความคิดว่าอยากจะนั่งสมาธิแต่ก็มีความรู้สึกว่านั่งสมาธิเนี่ยไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่ก็จะกราบเรียนว่าหนทางไหนจะเป็นหนทางที่นําสู่ทางธรรมได้ะะอะไรนะประโยชน์หลัง ท, ท้ายพูดว่าอะไรนะฟังไม่ออกก็คือจะให้ท่านพระคุณเจ้าช่วยแนะชี้แนะให้นะคะว่าหนทางการภาวนาสวนมนภาวนากับการกำหนดจิตในการนั่งสมาธิหนทางไหนจะเป็นคือสมาธิแท้ๆของพุตเนี่ยไม่เกี่ยวกับท่ายืนท่าเดินท่านั่งอะไรทั้งสิ้นน่ะนะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตของเราโดยทั่วไปไม่ตั้งมั่นจิตเราชอบไหลไป ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเนะี่ยจิตมันไหลตลอดเวลาจิตมันไม่ตั้งมั่น <S <S นีการที่จิตจะตั้งมั่นได้ทําได้สองแบบอันหนึง่งน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เป็นสมถะอีกอย่างหนึง่งถ้าเราแค่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลงไปดูจิตหลงไปฟังจิตหลงไปคิดถ้าเรารู้อย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองแต่ตั้งชั่วขณะตัวนี้สําคัญนะแล้วยืนเดินนั่งนอนนะเราก็คอยรู้ทันจิตหลงไปแล้วก็รู้จิตหลงไปแล้วรู้คอยดูใบ บ่อยจิตจะหลงไปคิดทั้งวันนะถ้าโยมเห็นนะจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นเองไม่ต้องบังคับเลยจะสบายถ้าจิตจะฟุ้งซ่านแล้วเราจะบังคับให้นิ่งเนี่ยไม่นิ่งหรอกยิ่งอึดอัดใหญ่งนอย่าไปบังคับเขาจิตเหมือนเด็ก เด็กไม่ชอบให้ใครบังคับนะแต่เด็กเนี่ยต้องเอาล่อเอาขนมมาล่อมันมันก็หายสนนะเรียกไปกินไอติมแล้วมันไม่สนอินเรทอราแรมสมถะนะแต่ถ้าเรารู้ทันนะจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรูทันสงบเองอ แล้วมันสงบอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวตัวนี้สำคัญมากเลยเราก็อยู่ในโลกอย่างนี้แหละอยู่อย่างคนธรรมดานี่แหละแต่จิตเราสงบจิตเราตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้ไม่ได้เปิเพลงให้นิ่งนะ <Okay. S 1> ถ้าเพลงอยู่ไม่ดีจริงหนอก <Okay. S 1> น okay. เชิญสาธุการค่ะคือว่าเมื่อาวานนะคะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเหมือนว่า รู้สึกว่าจะโมโหค่ะแต่พอดูอดเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นเกิดความรู้สึกว่าโมโหแต่สักพักก็อดีว่าก็เหมือนกับออกอาการปริยาเหมือนโมโหออกไปอะค่ะ อ็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอคำแนะนำค่ะว่าหนูจะต้องทำยังไงก่อนที่จะแสดงอาการนั้นออกไปค่ะมันช่วยไม่ได้พอมันเผลอแล้วมันแสดงอาการนะถ้าสติเราไม่ไวถ้าสติเราไวนะเราเห็นความโกรธเกิดปแบบั๊บขาดสะบั้นไปไม่ทันแสดงอาการหรอกอันนี้เรารู้ทันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปโมโหใหม่เราไม่ทันรู้นะมันออกอาการได้เราก็ฝึกบ่อยๆไปห้ามมันไม่ได้หรอก ค่อยๆฝึกไปเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายโกรธนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านไม่ได้สอนนะว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีโทสะ ท่านไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายมีโทสะแล้วรีบละเสียท่านบอกแค่ว่าดูคราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะรู้ยังไงรู้ว่าโทสะมันเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเพิ่มมาชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดูอย่างนี้นะดูทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปดูสบายสบายอือคือคือว่าดูดูแล้วแต่ว่า เหมือนพยายามดูแล้วปรากฏมันก็ไม่เกิดว่ามันมีโทสะแต่ว่ามันออกอาการไปแล้วออกอาการไปแล้วก็แล้วไปมันมันที่มันเสียใจในสิ่งที่ทําไปลงไปนี่ไงเสียใจเนี่ยเป็นโทสะอีกตัวหนึ่งละ นะเกิดโทสะตัวใหม่แล้วคือความเสียใจให้รู้ลงปัจจุบันอีกนะเอาอาการไปแล้วเกิดเสียใจรู้ว่าเสียใจนะรม่งั้นเราจะเสียท่าซ้าซ้อนไปเรื่อนยะอย่างบางทีเราไปทําร้ายคนที่เรารักด้วยซ้ำไปนะหรือว่าพ่อว่าแม่ไปอะไรเงี้ยบางทีพว่าเสร็จแล้วเสียใจทีหลังตอนว่านะเราก็โมโหเห็นก็เป็นกิเลสพว่าเสร็จแล้วก็เสียใจเสียใจก็เป็นกิเลสอีกนะให้เรารู้ลงปัจจุบันไป นะมีโทรศาพท์ก็รู้แล้วก็ขาดสติไปว่าเขาพอนะขาดสติไปแล้วก็เกิดนึกขึ้นได้ mm hmm. เกิดเสียใจเ็ามีสติรู้ว่าเสียใจยังมาเก็บคะแนนได้ยกสุดท้ายนี้นะส่วนบาปก็ทำไปแล้วก็แล้วไปค่ะแล้วก็หนูนนั่งเดินจงกรมกับนั่งสมาธิค่ะพักหลังๆอยากอยากให้สงบแต่มันไม่สงบลงอยากอยากซี่ความสงบไม่ได้เกิดจากความอยาก ให้รู้ทันใจที่อยากในใจก็จะสงบแตนดิฉนนั่งแล้วยังไงก็ไม่สงบอะ่ะเออไม่ได้นั่งแล้วสงบสินั่งให้เห็นความจริงของกายของใจเพราะมันบังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้สั่งให้สงบไม่ได้นั่นแหละความจริงแล้วก็ขอเลียนถามอีกข้อหนึ่งะคะ่ะคือว่าถ้าเกิดสวดมนต์เร็วๆะคะ่ะ อันนี้จากพอ น, นี้เห็ น, อ น, นพอดีที่เขาสวดมนต์เร็ ว, วค่ะคุณแม่ก็จะทักว่าสวดมนต์เร็วเกินไปอะ่ะหนูก็แม่ก็แม่เขาชอบสวดช้าๆพี่เขาชอบสวดเร็วๆก็แค่นั้นเองแ <laughs> ม่คะ่ะคือแม่ว่าเขาสวดเร็วแล้วมันจะไม่มีสมาธิหนูไม่ทราบว่ามันจริงไหยคะ <c oughs> คือมันจริงบางอย่างจริงบางการณีไม่จริงบางการณีอย่างเวลาที่ใจเราฟุ้งมากๆนะสวดเร็วๆเช่ น, ะนพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธถี่ถี่อย่างนี้นะ ใจมันก็จะไม่ฟุ้งไปแต่พอใจมันสงบแล้วก็สวดช้าๆพุทโธพุทโธไปนะนั้นช้าหรือเร็วอ่ะมันอยู่ที่ว่าใจเราเป็นยังไงถ้าใจมันฟุ้งมากก็สวดให้มันเร็วขึ้นคล้ายๆเอาเชือกไปมัดมันมัดเป็นเปลาะเปละมัดทีๆถ้ามันไม่ค่อยดิ้นแล้วก็มัดมันน้อยๆ หลวงปู่นุญาตพระอาจารย์ช่วยดูให้หนูนะว่าดูปฏิบัติแล้วพอได้ยังหนูไปดูหนะน้าหลวงพ่อให้กันบ้านซื่อๆเลยนะหนูไปดูโทสะไปโทสะเกิดบ่อนยะเห็นไปโทสะเกิดขึ้นไม่ใช่ดูเพื่อให้หายแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงจิตจะมีโทสะห้ามเขาไม่ได้หรอกนะไปดูตัวนี้นะแล้วเวลามันเสียใจให้นมาก็รู้เอาแล้ววันหนึ่งมันก็จะดีขึ้นหรอกนะต่อไป มนมรดการหลวงพ่อค่ะมาส่งกันบ้านค่ะเมื่อกี้ตอนที่พี่เขาพูดใจหนุกจะเต้นออกมาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าเต้นแรงตกใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใจมันก็ไม่หยุดแต่พอเมื่อกี้เนี้ยพอพี่เขาจบใจมันก็หยุดของมันเองเขาเห็นความของมันแล้วมันกลับมาเต้นอีกหรือยังเต้นแล้วค่ะเออนะถ้ามันหยุดเรารีบบอกนะมันต้องปั๊มหัวใจแล้ว เป็ไหมมันตื่นเต้นห้ามมันไม่ได้มันจะสงบสั่งมันไม่ได้ใช่ค่ะตามรู้วิปัสสนากับสมถะไม่เหมือนกันนะสมถะเนี่ยทําให้จิตไม่สงบทําให้สงบจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่ดีทําให้ดีส่วนวิปัสสนาเนี่ยง่ายกว่านั้นจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีนะงง่ายๆเลยรู้อย่างที่เขาเป็นรู้จนวันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นเลยนะมันไม่ใช่เราหรอกสั่งมันไม่ได้เอาตรงนี้ ต่าหากไม่ใช่เอาดีเอาดีหนะ้ามักน้อยเกินไปศาสนาพุทธหน้าภาวนาแล้วจุดสุดท้ายนั้นะมันเหนือดีเหนือชั่วแต่พูดอย่างนี้ก็เสี่ยงบางคนเขาบอกถ้างั้นทําชั่วก็ได้เพราะว่าชั่วกับดีเท่ากัน<ม>ถ้ามีสติจะทําชั่วไม่ได้นะคนทําชั่วได้เพราะขาดสติจ่ไว้นะ<ม>งั้นเราฝึกสติเนี่ยถึงเราไม่ได้เป็นคนรักดีนะมันก็ดีโดยตัวของมันเอง สวนยังยังค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วที่มาส่งหลวงพ่อค่ะบอกว่าใจอ่มันว่างๆแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปติดว่างนะไปติดตอนนี้ไม่ติดแล้วนี่ค่ะมันเคลื่อนออกมาแล้วดูออกไหมเห็นแล้วเออถ้าไปติดว่างนะกี่ปีมึงอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีปัญญาหรอก ค่ะเรวก็พอดีไปเข้าคอร์สมานะคะหลวงพ่อแล้วได้ไปทําเนสัตชีนะคะที่ไม่นอนตอนกลางคืนนะคะก็ถวายเป็นกุศลให้หลวงพ่อด้วยนะคะโอ้ดีนะแล้วหลวงพ่อรับแล้วหลวงพ่อจะนอนไม่หลับตอนเนี้ย <c oughs> โมทนานะแล้วหนูจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหลวงพอ่อที่ฝึกมาดีขึ้นน ะ, ะมีสติรู้กายรู้ใจไปไม่เพ่งก็เดินจงกรมปกติ <c oughs> กเดินไปเดิน เคล็ <Es> <an> e ับของการเดินจงกรมนะเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินแล้วรู้ทันเห็นร่างกายมันเดินเดินแล้วรู้ทันใจมันหนีไปคิดก็รู้ทันนะเรียกว่าเดินรู้ทันกายเดินรู้ทันใจถึงจะเรียกว่าเดินจงกลมถ้าเดินบังคับกายเดินบังคับใจเรียกว่าเดินทรมานกายทรมานใจนะถ้าเดินแล้วใจลอยไปเรื่อยเรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อย งั้นเดินแล ร, รู้สึกกายเดินเรารู้สึกใจไปเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันทำงานไม่ร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกอนะจิตใจที่ทำงานไปมันก็ทำของมันได้เองดูอย่างนี้นะแล้วก็มันมีแท็กติกนะมีเรียก อ, อะไรกลยุทธ คือเวลาเราเดินไปสุดทางจงกลมเนี่ยอย่าเพิ่งหมุนตัวกลับถ้าเดินไปสุดทางปุ๊บหมุนตัวกลับแป๊บเนี่ยจิตจะกระเด็นตกทางจงกลมทุกหลยเลยงั้นพอเราเดินไปสุดทางนะเรารู้สึกตัวให้สบายก่อนรู้สึกสบายไม่ใช่รู้สึกนี้นะ อย่างนี้ไม่ใช่นะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายๆพอรู้สึกดีแล้วก็หมุนตัวกลับหมุนตัวแล้วอย่าเพิ่งเดินถ้าหมุนตัวปั๊บเดินปั๊บเนี่ยจิตมันเดินก่อนกายนึก อ, <ช>ออกใช่ไหมจิตมันไปก่อนแล้วอย่างนี้ไม่ดีไม่สัมพันธ์กันงั้นหมุนตัวกลับมาแล้วยืนนิ่งๆก่อนรู้สึกตัวให้สบายแล้วค่อยเดินไปนะเดินเอาความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินเป็น ถ้าเดแล้วก็เพ่งเพ่งเครียดเครียดม่เดินทําไมชีวิตธรรมดาก็เครียดจะตายอยู่แล้วพิภาวนาให้เครียดหนักกว่าเก่าก็บ้าเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรแถวนี้ใกล้ศรีทัญญาขอพระคุณหลวงพ่อค่ะกา ข, ขออนุญาตขอโอกาสหลวงพ่อนะครับต่อไปเป็นพิธีถวายพระไตรนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านา น, น้อมจิตอนโมทนาและกล่าวคําถวายภพระไตรและเครื่องปัจจัยทางร่วมกันนะครับ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระไตรจีวร <S S 2> กับทั้งบริวารเหล่านี้แต่แบบพระอาจารย์ปรามโมทปรามโมทโชขอพระอาจารย์โปรดรับพระไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสั่งการละนามเทินขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการปรปรนานคอนหลวงนะครับเป็นตัวแทนถวายพระไตครับอย่าหย่อปรบปรไหน่อยนะ ยถาวาริมหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอยโตทินังเปตาหนังอุปกระปติเดชิตังปฏิตังทุมหังคิดะเมวาสมิฉโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติลาโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตตสัพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาฒนสี สิเลสนิจังอุทธาป จ, จายิโนจั ต, ตาโรธรมมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังสว์ทุกวานานะ พรเขรับไปตามธรรมเนียมหรอกไม่มีประโยชน์เท่าไหรหรอกนะพรอยพระสอนนะตอนท้ายเห็นไหมอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทาปัจจัยโน่ชนาะตาโรธรรมมาวันติอายุวนโนสุขังพลังคนที่เคารพผู้ใหญ่อะ่นะจะมีอายุวันโนสุขังพลังเห็นไหมต้องมีการกระทํานะถึงจะมีผลไม่ใช่ให้หลวงพ่อให้พรแล้วอายุวนโนสุขังพลังแล้วอยู่ๆไปว่าท่านผู้ว่า ไม่เจริญหรอกเห็นไหมศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาให้พรงมงายนะทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งสิ้นเลยทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้สมควรกันทั้งสิ้นยุติธรรมที่สุดนะไม่เป็นศาสนาแห่งการพึ่งตัวเองไม่ใช่ศาสนางมงายพัฒนาตนเองขึ้นมานะโดยจะได้มีความสุขบทที่เจ็ดจบไหม หลวงพ่อจะได้ไป <laughs>